เพง่ฝังที่เคารพคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะของรายการสัมม น, น, นาสนทนาที่ได้ให้ท่านปฏิบัติธรรมกันไปในช่วงต้นของรายการแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะให้ท่านได้พบ ก, กับช่วงที่สองของรายการเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระพบูลุญอภิปุนโนวัดป่าดอนไฮโซวุดรทานีค่ะกล่าวแล้วมาสการคท่านคะเชิญบานค่ะอย่างอยู่ในเรื่องเดิมคะท่านคะ่ะเรื่องของ สัญญาสังขารในพวกนี้นะค่ะคือขอทบทวนพูดให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์อื ม, อมว่าถ้านจำเพบูงได้พูดไว้อย่างไรอยากให้ท่านสรุปเองได้ไหมคะทีฉันอยากให้พระพูดเยอะๆอะค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสัญญาคือความหมายรู้ <c oughs> แต่ถ้าเราแปลว่าความจําได้หมายรู้เนี่ยเราก็คือจะจะจํากัดความหมายของธรรมะมากเกินไป <c oughs> แต่เพราะนั้งให้ในเบื้องต้นเนี่ยให้จํอาอเข้าใจไว้ก่อนว่า หมายถึงความหมายรู้เฉยๆนะถ้ามันมีส่วนความจำจะอธิบายให้ฟังตรวนี้ค่ะว่าความสัญญานี่คือความหมายรู้ในสิ่งต่างๆ <What? S 1> นานพระพุทธเจ้ายกถึงความหมายรู้ในสีเขียวสีเหลืองสีแดงพวกนี้อันนี้คือความหมายรู้ <Okay. S 1> อันนี้คือสีเขียวอันนี้คือกุณรู้อันนี้คือสีแดงอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนี้คือคือคือความหมายรู้ะถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าเรทภาษาอังกฤษแต่ภาษาอื่นก็เรียกวภาษาอื่นไป เพราะนั้นพอเราหมายรู้แล้วนะเรารู้มันในในัยยะของอเลสส4นีะ่คืออวิชชาจะไม่เกิดขึ้นในจิตของคุณนะคือบางทีเรามึนตึงไม่รู้บือนะ้อ น, นี่คือพอ่อปูลอุปนิสัยนั้นๆน ะ, ะพอ่อปูลอุปนิสัยก็คือจะมีอาสะวะที่เป็นลักษณะของอ า, อาสะวะนี่คือหมายถึงนิสัยนิสัยที่แบบว่าเป็นแพทเทิร์นในชีวิตพวกนี้ก็ถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ละ ไอ้เจ้าอุปนิสัยพวกนี้ได้ค่ะทีนี้สิ่งที่ยังสับสนในเรื่องของสัญญานะที่เรากําลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือสัญญากับสังขารมักจะสับสนกันค่ะสัญญาสังขารสับสนยังไงนะเนื่องจากพอสัญญาเนี่ยถ้าเราแปลว่าจําได้ปุ๊บเนี่ยมันคือจะเป็นเรื่องอดีตทั้งหมดแล้วมันจึงไม่ใช่อย่างเดียวแต่สัญญาคือความหมายรู้คุณหมายรู้เรื่องใดในอนาคตได้ไหมทํำไมจะไม่ได้นะเช่น สมมติเราพูดถึงเราเคยพูดเรื่องนี้ไปนะเช่นว่าทั้งด่วนขั้นที่สองเนี่ยซึ่งมันสร้างมาเป็นตั้ง20ปีแล้วไหมเนาะซึ่งสมัยก่อนนี้โอ้โหเป็นโครงการที่ท็อปฮิตมากเลยนะเขาพูดกันถึงมากมายนักพวกวิศวกรพวกนักคิดต่างๆนักวานผัรเมืองเขาก็คิดถึงการสร้างทางด่วนตั้งแต่ขั้นที่เจ็ดแล้วสมัยนู้นแต่เพราะฉะนั้นทางด่วนขั้นที่7เนี่ยเป็นความหมายรู้ใน เป็นความหมายรู้คือสัญญาณในอนาคตซึ่งยังไม่ได้สร้างนะอ้าวอะไรปรุงมาให้มันเป็นอย่างนี้ก็เจ้าสังขารไงเจ้าสังขารเนี่ยปรุงสัญญาในอดีตให้เป็นสัญญาในอนาคตได้ค่ะนะสังขารยังปรุงตัวมันเองได้อีกนะนี่เรากำลังพูดถึงจุดที่มันปรุงสัญญาในอดีตให้เป็นสัญญาในอนาคตได้ท่านคะที่ฉันขออนุญาตเสริมอคําถามตรงนี้นะคะได้ทีฉันกาลังเข้าใจว่าถ้าจะมีสัญญาในอนาคตได้เราต้องมีสัญญาในอดีตก่อน ถูกไหมคะก็ต้องก่อนไหมเออก็อาจจะเป็นได้ก็ อ, อาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้คือหมายความว่าอย่างเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะอย่าง Edison เอดิสันอย่างนี้เขาคิดหลอดไฟขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เห็นหลอดไฟมาก่อนในชีวิตของเขาแล้วก็ไม่ได้มีรุ่นแรกหรือรุ่นที่2เพราะมันยังไม่เคยมีรุ่นไหนมาก่อนเลยแต่เขาอาศัยอะไรนะคือสัญญาเก่าเนี่ยคือจ ะ, จะพูดงี้ดีวกว่าสัญญาในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นสัญญา ที่มาจากสัญญาในอดีตอันใดอันหนึ่งแล้วถูกปรุงขึ้นมาค่ะในกรณีนี้มันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะของอดีศร์เขเป็นอะไรนะเขาเป็นไอ้เจ้าไอ้โลหะชนิดหนึ่ง<ช>ที่เขาเห็นว่ามันเป็นแสงวาบขึ้นมาทําให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นสัญญาในอดีตของเขาที่พอเขาปรุงแล้วกลายเป็นสัญญาใหม่คือหลอดไฟขึ้นมาค่ะนั่นแหละแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเข้าข่ายที่ดิฉันถามอืมใช่ใช่ใชาาต้องมีสัญญาเดิมแล้วมีสังขารไปปรุงใช่ก็จึง เป็นหมายรู้ใช่ในอนาคตเป็นสัญญาในอนาคตถูกต้องทีนี้ท่านตอบคําถามดิชันตอนแรกประมาณให้เข้าใจได้ว่าไม่จําเป็นไม่ต้องมีสัญญาเดิมออืก็มีการหมายรู้ในอนาค ต, นนาคตได้อตัวอย่างมีไหมคะท่างคะคือดิฉันเองยังสับสนนะคะตรงเนี้คะ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเราเรียนภาษาใหม่เราต้องมีสัญญาเดิมคือภาษาปัจจุบัน คุณจะรู้ว่าปากกาเนี่เรียกว่ามิงพี่เนี่คุณต้องรู้ว่าปากกามันคือปากกาในภาษาไทยซะก่อนค่ะแล้คุณถึงจะเรียนภาษาจีนได้แต่ถ้าเราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยอะคุณยมติ๋วคิดว่าทําไงเด็กมันจะเรียนยังไงเออเนี่ยเป็นความท้าทายนะะสมมติทารกแรกเกิดอ่านี่แหละนี่แหละก็มาจับปากกาที่คุณแม่เขียนหนังสือคุณแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเล่นปากกาลูกสมมุตินะคะหรือว่านี่ปากกานะลูกออื อันนี้คืออะไรคะทา น, นคะนั่นคือสัญญาแหละเขาพยายามที่จะถูกสร้างสัญญาขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าสอนให้พระมารู้อสุภาษสัญญามีผมขนและฟันหนังไอ้พระไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนอ๋อมันเรียกว่าอสุภาษสัญญานะก็เลยมีสัญญาเกิดขึ้นใหม่นี่แหละคือสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นนะ ค่ะแตอนน่อันอันเนี้ยคือสัญญาใหม่ที่ไม่มีในอดีตถูกต้องถูกไหมคะแต่ว่ากำลังเป็นกาลังเป็นหลายช่วงเวลานะคะคือกำลังเป็นสัญญาในปัจจุบันแล้วก็อนาคตไม่ไม่ใช่การหมายรู้ในอนาคตนะคะก็ก็เป็นอยู่ใช่เป็นในปัจจุบันที่เราเรียนรู้ขึ้นม า, า เ, เราอาจจะน้อมไปคิดในอนาคตว่าโอ้ร่างกายเราต้องเป็นอย่างนี้จะไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้แต่ความหมายรู้ตรงนี้คือความหมายรู้ในอนาคต อ่าจากจากอะไรจากสัญญาในปัจจุบันอย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่ามันก็ก็อาจจะต้องมีสัญญาเดิมที่พูดถึงกันนะทีนี้อาจจะต้องยกตัวอย่างอื่นๆที่อาจจะทาให้เข้าใจได้ก็เดี๋ยวจะคอ่อยพูดพูดกันต่อไปเราเราทิ้งโจทย์ไว้แล้วกันเผื่อว่าท่านผู้ฟังนึกออกเราก็มาเสริมกันก็ได้ไดแต่สำหรับท่านเพรบูลเนี่ยมีความมั่นใจว่าสัญญาอ่าที่เป็นในอนาคตคือการหมายรู้ ในอนาคตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับสัญญาในอดีตไม่จําเป็นไดอ้อย่างอย่างอินโนเวชันต่างๆความคิดสร้างสรรค์ญญต่างๆบันทีก็พรวดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็ก็มีมันก็คือมาเองของมันนะอ่นะนะทีนี้เรื่องสัญญาตรงนี้เราเราพอจะเข้าใจละนะสัญญาไปเป็นภาษาไทยว่าความหมายรู้ทําให้บางคนไปสับสนกับคำ ว, ว่าการรับรู้การรับรู้นี่นก็คือ รู้แจ้งการรับรู้คือวิญญาณ น, นั่นเองวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณกับสัญญาคุณอย่าไปสับสนกันนะพอรู้รู้ที่จะสับสนกันนั่นก็คื อ, คอสัมผสัผสผัสสะวิญญาณสัญญาเ น, นี่จะใช้สับสนกันมากาคือบอว่ามันเป็นความรู้รู้รู้เหมือนกันรู้สึกรู้สัมผสัสรับรู้หมายรู้4อย่างนี้ค่อนข้างสับสนกันคืออะไรเวทนาสัญญาผัสสะวิญญาณอะไรเกันนะเวทนาคือความรู้สึก ภนะาษะคือความสัมผัสนะสัญญาคือความรับรู้วิญญาณคือความรู้แจงเข้าไปนะสัญญาคือความหมายรู้วิญญาณคือความรับรู้หรือการรู้แจงนะมัน <Okay. S 1> รู้ ร, รู้มีทั้ง3รู้มันก็เลยจะสับสนเรายกภาษาไว้ก่อนนะ <Okay. S 1> เราต้องทําความเข้าใจให้ดีพอเป็นภาษาบาลีปุ๊บมันแยกกันโดยชิ้นเฉกเวทนาสัญญาวิญญา <Okay. S 1> ตัวนี้พอแปลเป็นภาษาปุ๊บกลายเป็นความรู้สึก กลายเป็นความหมายรู้กลายเป็นการรับรู้ซึ่งคนละคนละอ่านกันดังนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วว่าวิญญาณ ส, สัญญาเวทนาเป็นอย่างาใดใช้ภาษาแบบนี้จะชัดเจนมากกว่าถูกต้องอยกตัวอย่าง เ, ออเกิดมีอาการซึ๊กซึกซึกขึ้นที่แขนซึ๊กซึกซึขึ้นคุณรู้สึกซึ๊กซึซึขึ้นที่แขนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะ เอ้ยอันนี้มันคันนี่นะฉันรู้สึกคันเอาแค่พูดแค่นี้คุณพูดผิดแล้ว<ช>เพราะว่าไอ้ที่คุณรู้สึกที่คุณบอกคุณรู้สึกคันเนี่ยไม่ใช่คุณรับรู้ถึงสัมผัสอย่างหนึ่งคุณรับรู้ถึงสัมผัสไอ้อซึกซึกซึนี่คือสัมผัสนะ<ช>แล้วเกิดสัญญาขึ้นว่าสัมผัสนะเกิดสัญญาขึ้นว่ามันคือการคันการคันการคันเป็นสัญญาการคันไม่ใช่ความรู้สึกนะพอคุณมีสัญญาในการคันแล้วคุณจึงเกิดเวทนาว่าโอ๊ยไม่ชอบ เนะวทะนาคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วไม่ ช, ชอบแตเพราะนั้นพออาการซึกซึกซึกเนี่ยคือผัสสะทำให้เกิดสัญญาความหมายรู้ว่านี่คืออาการคันทำให้ฉันเกิดความไม่พอใจนั่นคือเวทนาคือความรู้สึกถ้าจะพูดให้ถูกนั่นก็คือว่าฉันรับรู้ถึงสัมผัสซึกซึกซึกขึ้นที่แขนทำให้เกิดความหมายรู้ว่านี้คือการคันทาให้เกิดรู้สึกว่าไม่ชอบนะนี่ถึงจะพุตก ค่ะก็แปลว่าฉันเกิดวิญญาณขึ้นที่แขนในความสัมผัสนั้นใช่ซึ่งมีสัญญาจึงทําให้เกิดสัญญาว่าเป็นการเวทนาว่าเป็นกาเวทนาว่าเป็นการคันการคันนี้ทําให้ฉันมีเวทนาทุกขเวทนาอ่าก็แทนที่คําว่าไม่ชอบก็คือทุกเวทนาเวทนาคือความรู้สึกไม่ชอบนั่นเองค่ะเพะนั้นเราไม่ใช่แค่รู้สึกคันไม่ใช่ถ้าเราจะพูดกระบวนการตรงนี้ให้ถูก ก็อย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่เะเอาใหม่นะคะรับร้ฉันรู้สึกรับรูนฉันรู้สึกคันนี้ไม่ถูกต้องนะคะต้องบอกว่าฉันรับรู้ถึงสัมผัสอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันโจทย์เดี๋ยว่าฉันรับรู้รู้ถึงสัมผัสอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งใช่เกิดเป็นความหมายรู้ว่าหมายรู้ว่านี่คือการคันหมายรู้เกิดเกิดเป็นความคันเดี๋ยวค่อยแปลนะคะอะเกิดเป็นความคัน ค่ะนะเสร็จแล้วทําให้รู้สึกทําให้รู้สึกทําให้รู้สึกเป็นทุกข์เป็นทุกข์อืมอ่าท่านผู้ังที่โครพคะฉันรับรู้ถึงสัมผัสอย่างหนึ่งนั่นคือถ้าใช้ภาษาบาลีจะไม่ให้มีวิญญาณในผัสสะฉันมีวิญญาณคือรับรู้ใช่ในผัสสะอย่างหนึ่งในสัมผัสคือในผัะผัสสะอย่างหนึ่งใช่อย่างหนึ่งถูกต้อง เกิดเป็นความคันทำให้มีสัญญาว่าคันมีสัญญาว่าคันค่ะเกิดเป็นความคันอันนี้แปล ว, ว่าทำให้มีสัญญาใช่ว่าคันถูกต้องค่ะแล้วก็ำให้รู้สึกเป็นทุกข์ทำให้เกิดเวทุกขเวทนาทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนานะคะเท่ากับว่ารับรู้คือวิญญาณ ได้ผัดคือผัสสะถูกต้องหมายรู้เกิดเป็นความคันหมายรู้คือสัญญาอย่าหมายรู้อนะคะว่าเป็นความคันรู้สึกคือทําให้รู้สึกเป็นทุกข์คือเ ก, เกิดเวทนาได้นี่ยเป็คือถ้าเราใช้ความหมายถูกต้องเนี่ยเราจะเอาตรงเนี้ยไปจับกับเหตุการณ์นใดในโลกนี้เนี่ยเราจะไม่สับสนค่ะบางคนก็จะบอกฉันรู้สึกงงฉันรู้สึกวินฉันรู้สึก คิดออกฉันรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้มันจะสับสนละสับสนเอ๊ะมันไม่ใช่เวทนาพระต้องฉันมีวิญญาณถูกไหมคะใช่ในสัญญาแบบนี้แบบนี้ก็ว่าไปอยงนัโอ้จับเวรค่ะอันนี้ใช้จดจริงๆสงสัยต้องเข้าไปเพียวธรรมะคอมคือคือคือในชีวิตจำบานเราเนี่ยคุณยมเติ๋วถ้าเราพยายามที่จะไปแยกแยะอันนี้คือแรบบูปเวทนาสัญญาสงสารเราไม่ทันหรอกมันมันจะยากมาก เออเราจะอยู่ยากเลยโอ้ยนี่เป็นอะไรเป็นอะไรเราก็จะให้ทําเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือรูปเวทนาสัญญาสั่งานทั้งหมดนั้นน่ะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะเราแค่ใส่แค่นี้นตไม่ว่าจะเป็นผันนผสสะก็ไม่ใช่ของเราแต่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้จะเราจะ<ด>สบายละบางคนบอกว่าคิดได้ยังไงว่าไม่ใช่ของเราอืต้อง สนาทีที่ท่านต้องคิดให้ได้เลยนะคะรกวนกันนะคะก็คือว่าถ้าเราเห็นสภาพของมันตามที่เป็นจริงนะว่ามันเหตุเกิดจะอะไรไหเหตุของมันเที่ยงไหมล่ะเหตุของมันก็ไม่เที่ยงนะเหตุของมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมเหตุมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะเอามีความแปรปวนด้วยนะมีอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็เหตุมันไม่เที่ยงแล้วตัวมันจะไปเที่ยงได้ยังไงอ่าก็เท่านี้เองพราเราคิดได้แล้วบโอ้มันไม่เที่ยงนะอ๋อเที่ยงแล้ไม่เที่ยงแล้วเป็นไงโอ้ไม่เที่ยงก็ ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไปหากินข้าวตอนบ่ายแล้วไม่ใช่ <Okay. S 1> แต่ว่าไปพยายามที่จะปล่อยวางถ้าไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางได้ <Okay. S 1> ก็เห็นก็คือถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ของเราดิฉันอธิบายอีกอย่างได้ไหมคะว่าไม่อยากคันนะ่ะนะแตอ่อะไรเดียรคะมันมีความทุกข์ใช่ไหมคะใช่แล้วกเ็เราควบคุมไม่ได้ไง มันอยากจะคันของมันมันก็คันอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าอาการจะหมดไปอาการที่ทำให้เรามีความทุกข์เนี่ยก็จึงบอกว่ามันไม่เป็นของเราอย่างงี้ได้ไหมคะใช่เพราะความทุกข์ไม่ใช่ของเราความทุกข์ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรายังไงนะคะท่านไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนยไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเอามาแทนที่การที่จะไปวิเคราะห์ รูปเวทนาสัญญาอืสังขารวิญญาณในการใช้ชีวิตเพราะท่านบอกว่าอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงอ่าถ้าเราจะพยายามแยกแยะมันก็จะยุ่งยากไปนิดนึงแต่ฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกแยกแยะแล้วมีประโยชน์กันทังคู่ดีถ้าเราแยกแยะถ้าเราแยกะะแยะในในันยยะของไรศรีนี่ดีค่ะ <c oughs> แยกแยะในนัยยะไรศรีดีค่ะแต่หมายความว่าที่ท่านไปบูรพูดเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าท่านจะบอกคนที่รู้สึกยากว่าไม่ต้องไปกลัดกลุ่มใช่ เพียงทาความเข้าใจว่าพวกนี้ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราถูกต้องนะคะก็พอแล้วสองนาทีพอดีแล้วคะ่ะทั้งค่นะคะวั <c oughs> <c oughs> นนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ฉันจะขอเรื่องอิธิบาทสี่จองไว้เลยนะคะได้ได้ค่ะวันนี้กล่าวนมัศ ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิง่งค่ะท่นานค่ะท่านั่งค่ะนั้นก็เป็นการอธิบายธรรมะ พระพุทธองค์เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีในการที่เราใครขครวนธรรมะหรือว่าที่เรียกว่าเป็นธรรมะวิจยะเนี่ยนะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยคะ่ะท่านฟังที่รบคะ่ะสําหรับดิฉันมีความเชื่อว่าทุกคนทําได้ถ้าเรารู้ว่าพระศาสดาของเราสอนไว้อย่างไรนะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้ว ก็จะกล่าบเรียนท่านว่าขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการสันสีสนทนาอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว s m ฟเอดิฉันสัสนสีนาพงดําเนินรายการ0ูนย9 0องสมีหนังสือผู้ทวัชจนะที่ทระอจารย์คือคลิปโสติพโลเจ้าวาดณนาป่าพงลำลูกกาครองสิฝากมาแจกให้กับทุกท่านและติดตามรับฟังกันวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันจะกราบเรียนถามหัวข้อธรรมะที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะใช้ชีวิตทุกวันนี้อีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องอิทธิบาท4วันนี้ลาไปก่อนนะคะพุทธวัสวัสดีค่ะ